ปัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะในส่วนของการปฏิบัตินั้นมีความแตกต่างกับส่วนของปริยัติคือปริยัติเป็นเรื่องการศึกษาเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นประมาณ แต่ในภาคของการปฏิบัติแล้วก็หยิบช่วยเอาองค์ธรรมก็ดข้อหนึ่งที่ทรงแสดงไว้มาเป็นหลักในการปฏิบัติและผลจากการประพฤติปฏิบัตินั่นเองก็จะค่อยๆเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นค่อยดึงดูดเอากุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่ยังไม่เป็นให้เป็นขึ้น และในขณะเดียวกันผลของกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่กระจัดอกุศลที่ทรงกันข้ามกับตนให้เจือจางบาบางลงไปโดยลัาบับเพราะแนวในการปฏิบัติที่ทรงอุปมาเป็นรู ป, ปรธรรมค่อนข้างจะชัดเจนก็ทรงแสดงว่าเหมือนกับปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปบนพื้นดินและบุคคลจะได้ผลของพืชชนิดนั้นกรนีจะเห็นว่าช่วงที่ปลูกพืช กับช่วงที่รับผลของพืช น, นั้นเป็นช่วงที่ห่างกันกว่าที่พืชเหล่านั้นจะออกมาเป็นผลได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนผ่านการเวลาลเสริมสร้างตัวเองให้มีความเจริญในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นโดยลําดับพอถึงจุดหนึ่งผลมันก็เกิดขึ้นแล้วผลเหล่านั้นเองก็ผ่านการเวลาไปโดยลาดับจึงสุดงอมจึงใช้ประโยชน์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 กุศลธรรมนั้นมีลักษณะเหมือนกับความเย็นเหมือนกับแสงสว่างดังที่กล่าวอยู่เสมอเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขาแสดงความเป็นเย็นเป็นสว่างของเขาออกมาเป็นสถานะอย่างนั้นคือจะปรากฏที่ไหนอย่างไรก็ตามเขาก็แสดงสถานะเอาควาอย่างนั้นและในขณะเดียวกันเขาก็จัดสิ่งทรงกันข้ามของเขาออกไปด้วยเย็นเย็ก็ขจัด ความร้อนออกไปสว่างก็กขจัดความมืดออกไปกระจัดได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเขาถ้าเย็นมากก็กระจัดความร้อนได้มากขยายความเย็นปกคลุมพื้นที่กระจายออกไปได้โดยลําดับถ้าสว่างมากก็ขจัดความมืดได้มากแล้วก็ขยายแสงสว่างออกไปครอบคลุมพื้นที่กว้างไกลออกไปโดยลําดับ แต่การกระจายนั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อยๆกระจายดังนั้นอย่างที่ส่งแสดงถึงผลของการประพฤติปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไว้โดยในอีกในยะหนึ่งว่ามันเหมือนกับปลาชิตที่อุไทยขึ้นมาแล้วทาหน้าที่กัจจความมืดแต่ทั้งสาธารชนทั้งหลายจะเห็นว่าความมืดนั้นไม่ใช่ปลดพลาดหายไป พอะไรเพ ร, ะราพระปริมาณแสงของพระอาทิตย์นั้นค่อยๆทอขึ้นมาโดยลำดับจุดใดที่แสงสว่างส่องไปถึงจุดนั้นความมืดก็หมดไปพอไปถึงจุดหนึ่งก็สามารถขจัดความมืดได้เต็มที่ธรรมะปฏิบัติเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้ น, นพื้นฐานทางใจสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ท, ที่ถือว่าสําคัญ ที่พระเจ้าจะทรงตรวจสอบดูก่อนเสมอที่จะแสดงธรรมนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าอินทรีย์เป็นคุณสมบัติที่เป็นใหญ่เป็นฐานใจเป็นที่รองรับสภาพจิตใจและคุ้มครองจิตใจกอให้เกิดเป็นพลังขึ้นภายในจิตมีกาลังกล้าแข็งพอที่จะขจัดจริงซึ่งทรงกันข้ามกับตัวน้ออกไป ทำในแสงสว่างทํานองแสงสว่างกับความเย็นในที่กลางแล้วลักษณะของอินทรีย์แต่ละข้อนั้นนอกจากจะขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนโดยตรงแล้วยังขจัดสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งซึ่งเป็นข้าสึกต่อตนอีกด้วยก็ดูแล้วใล้ๆกับการตัดทํำลายต้นไม้ นอกเกี่ยวตัดต้นนั้นแล้วก็ยังทําลายสิ่งที่ใคลจชิดกับต้นไม้ให้ลงหักโคนลงไปด้วยอินทรีย์ทั้งหประการนั้นบางครั้งก็มาสรุปไว้เป็นสามขอ้ออย่างที่ได้ยินได้ฟังเสมอในการศึกษาในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือสติสัมปชัญญะความเพียรสติสัมปชัญญะความเพียร น, นั้น ก็คือเรื่องของอินทรีย์ที่มีความแก่กลา้ากันเองพระเจ้าได้ใช้คํามีหมายความว่าเราพัฒนาอินทรีย์ของเราขึ้นไปจนมีเป็นฐานใจเป็นหลักของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจไม่ว่าจ ะ, ะเผชิญปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามพวกอินทรีย์เหล่านั้นมีกําลังมากพอที่จะประทะกระแสของอารมณ์่ น, นั้นไปได้ สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้แต่ในตอนที่เรียกว่าอินทรีย์ก็ไม่ได้ใช้คำว่ามีแต่เป็นการแสดงถึงสภาวะของธรรมะหม้ความว่ากุศลธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลได้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจจะมีกำลังมากพอแล้วยิตก็จะมีอินทรีย์เหล่านั้นแ ก, ก่ก้า เขาพูดถึงมีก็พูดถึงตัวบุคคลที่มีสภาวธรรมเหล่านั้นแต่ตอนอธิบายก็ทรงใช้คําว่าสตินินรียอินทรีย์คือศรัทธาสตินทรีอินทรียคือสติเป็นต้นเป็นการแสดงสภาวธรรมเหล่านั้นเพื่อปลุกเราฉันทะอุตสาหะที่จะพัฒนาคุณธรรมเหล่านั้นถึงส่วนหนึ่งก็มีอยู่แล้วภายในใจของตนได้เพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น เพราะคุณธรรมแต่ละอย่างนั้นไม่ว่าเราจะเริ่มต้นที่จุดใดใหท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเจนพูดถึงสัจทินสีอินทรีคือศรัทธาในความเป็นศรัทธาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลหรือแม้แต่ตัวสถานะเขาเองก็ เ, เป็นธรรมะอยู่ข่ายตรงกันข้ามกัมกบโมหะคือความลง จนตระเกิว่าบางครั้งบางคราวเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราก็ไม่ไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยตัดสินได้ว่าสิ่งนั้นที่แท้จริงเป็นอย่างไรบางครั้งเราก็อาศัยความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลต่อเอกสารหลักฐานต่อตำหนัตำรา บ, บางอย่างซึงมีที่ไปที่มาชัดเจนมีหลักฐานควรแกิดการเชื่อถือได้ ในกรณีนี้เราใช้ปัญญาพิจารณาถึงที่มาของสิ่งตดนั้นก็ทำให้เชื่อต่อคำสอนต่อคำแนะนำต่อคำบอกกล่าวเหล่านั้นเพราะในกรณีนี้ก็สามารถขจัดโมหะไปได้ระดับหนึ่งโดยใส่ความชื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดว่าอะไรเป็นอย่างไร เนื่องจากปริมาณปัญญาเรายัางไม่มากพอเราก็ใช้ในจุดนี้ไปก่อนแต่ปริมาณของศรัทธาที่เพิ่มขึ้นภายในจิตใจนั้นศรัทธามีความผองใสเป็นลักษณะกุศลธรรมจะมีลักษณะอย่างนั้นมีความพองใสบ้างมีความเยึอกเย็นบ้างมีความสงบบ้างถึงเวลาให้เกิดขึ้นก็จะเห็นภายในจิตว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อปริมาณครบเพิ่มขึ้น ก็จะทําหน้าที่ขจัดตัวนิวรณ์ที่เรียกว่าความเครียดแรงสงสัยออกไปจากใจตอนนี้ทุกปึงสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราสายแม้แต่ความเชื่อยอย่างเดียวแต่ความเครียดแรงสงสัยก็ไปเกิดขึ้นจช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคนนั่นเป็นปู่ปปตายายายเป็นตนที่จริงเราก็มีปัญญาพอจะวินิจฉัยเพราะเราเกิดมาไม่ทันแต่เราเชื่อมัน่นเราท่านพวกนี้คือญาติพี่น้อง จิตใจก็จัดความคลุ้บแคลงสงสัยลงไปได้ว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนทําไมจะมาเกี่ยวข้องกับเราในจุดนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของศรัทธาไม่ใช่เรื่องปัญญาก็มีกําลังมากพอที่จะกระจัดความคลุ้บแครลงสงสัยในจุดนั้นลงไปได้พอศรัทธาก็มีกําลังเพิ่มขึ้นมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับแสงราิตย์ดังกล่าวแล้วแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดก็จะหายไปโดยลําดับ สิ่งทั้งหลายก็จะปรากฏชัดเจนแก่ใจแก่สายตาของบุคคลทั้งหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเร า, เาก็กระจัดกิเลสประเภทโลภะได้ถึงผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะต้องดูที่ใจเราเองว่าบางครั้งที่เราบริจาคบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต่างๆนั้นถ้าจะถามมาทำไมจึงทำอย่างนั้นบ่มพระศรัทธาก็ให้เกิดการขาจัด ความสนิทความหวงความเสียดายในสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วเราให้แก่ท่านเหล่านั้นได้แต่ว่าความสนิทนั้นบางครั้งไม่ได้เกิดเพราะโลภะแต่มันเกิดเพราะโทสะคือเราไม่ชอบคนคนนั้นแม้ทรัพย์สินเงินทองของเรามีมากพอที่จะสงเคราะห์นุเคราะบุคคลอื่นได้โดยเราเองไม่เดือดร้อนเราก็ได้ความสบายใจด้วยแต่ปรดีคนบางคนนั้นเราไม่ชอบ เราไม่ได้เสียดายตัววัตถุปึงสังเกตว่าใจเรานนไม่ได้เสียดายตัววัตถุแต่เราไม่ชอบคนที่จะรับวัตถุเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นจึงไม่ถูกใ่าจากเราแต่ถ้าเปลี่ยนคนรับเราก็พร้อมที่จะให้ถ้าหากว่าเรามีความชอบเขามีความศรัทธาต่อเขามีความรักต่อเขา เพรในจุดนี้จะเห็นว่าพลังของศรัทธามันก็สูงขึ้นสามารถขจัดกิเลสประเภทโทสะประเภทความจหนีหวงแผนไปได้เราจะเห็นความเจือจางเบาบางไปของกิเลสโดยลําดับเพถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลจะข้ามพุวงน้ำคือกิเลสได้ด้วยศรัทธามายความการบรรลุมรรคผลได้ก็โดยอาศัยศรัทธา และคุณในสมบัติเหล่านี้ก็สามารถที่จะมองที่จิตใจของพระอริยบุคคลระดับโสดาบันเป็นตดนไปผลดีงามที่เกิดขึ้นภายในจิตที่กำหนดสถานะของท่านให้เป็นผู้เข้าสู่ประแสนิพพานหรือถึงพนิพพานนั้นก็เกิดจากภายในจิตของท่านได้พัฒนาศรัทธาขึ้นไป จนถึงมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจา้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในไตรสิขาซึ่งแต่ละอย่างนั้นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องศรัทธาแต่มีพลังมากจะทำหน้าที่ะจัดกิเลสได้โดยดําดับแต่เปิ่งสังเกตว่าบนกระแสการเพิ่มขึ้นของศรัทธานั่นเอง เราจะเห็นความเพียรพยายามที่จะขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อศรัทธาออกไปเราจะเห็นสติการระลึกรู้ถึงคุณถึงโทษของสิ่งเหล่านั้นถึงสิ่งดีงามเหล่านั้นที่ตนเคยสัมผัสมาแล้วในอดีตด้วยการปฏิบัติร่างบ้างโดยปริยัติคือการเรียนรู้มาบา้าเราจะเห็นความมั่นคงของใจที่มั่นคงหนักแน่นมากยิ่งขึ้น เนมาเสียสละไปแล้วไม่รู้สึกเสียดายมีใจเชื่อมั่นแล้วไม่ถูกโยกคลอนให้หวันไหวได้สละไปแล้วก็ไม่รู้สึกไม่พอใจไม่จริงชังต่อคนที่เราให้ไปตนจะมองเห็นปัญญาเกิดขึ้นวินิจฉัยตัดสินสิ่งที่ควรเชื่อไม่ควรเชื่อ แสดงว่าในขณะที่สรธาเพิ่มขึ้นนั้นอินทรีย์อีกสประการก็เกิดขึ้นสนับสนุนเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่หลักในจุดนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนประครับประคองทํอนมองคล้ายๆกับเราหยิบสวยสิ่งต่างๆประคองสิ่งต่างๆโดยมือทั้งสองเอาอย่ว่าที่ทำงานในขณะนั้นก็คือมือ ตาก็ต้องคอยดูเท้าก็ต้องคอยประคับประคองตัวเองใจก็ต้องพยายามกำหนดให้เกิดการระมัดระวังไม่ให้ของเหล่านั้นตกแตกไปเราแสดงว่าในที่นั้นตัวงานหลักจริงๆก็อยู่ที่มือกับที่ใจพวกเทา้าพวกตาพวกหูพวกวายวิบัส่วนอื่นก็ข้าสนับสนุนแต่บางครั้งเมื่อเกิดเดิน เท้าก็เลยเป็นแกนหลักในการเต้นโดยไปสานสมันกับใจพวกตาพวกหูพวกมือก็เข้าไปช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเหล่านี้ก็กลายเป็นอินทรีย์เช่นเดียวกันพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจพระเจ้าก็เรียกว่าอินทรีย์เหมือนกันแต่ลองสังเกตว่าเวลาเขาทำหน้าที่เนี่ยอินทรีย์ส่วนใดส่วนหนึ่งจะทําหน้าที่หลักในจุดนั้นอินทรีย์ส่วนอื่นก็ไม่อยู่เฉย คือข้าสนับสนุนที่พระเจ้าทรงอุปมาให้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายๆว่าธรรมกขินสี่ตั้งห้าประการนั้นจะเปรียบเหมือนสหายห้าคนคนหนึ่งเป็นราชกุมารคนหนึ่งสี่คนเป็นบุตรของอามาัดสหายทั้งห้านั้นไปไหนมาไหนเขาไปด้วยกันออกมาด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกัน เพียงแต่ว่าถ้าไปถึงบ้านสหายคนแรกภารกิจหลักมันอยู่ที่คนแรกคนอื่นก็เป็นเพียงลูกมือเข้าช่วยพอถึงบ้านสหายคนที่สองคนที่สองก็ทาหน้าที่คนอื่นก็เข้าช่วยแล้วก็ด้วยมาจนถึงคนที่ห้าซึ่งเหมือนกับราชกุมารทุกคนต้องอยู่ภายใต้การบงการของราชกุมาร โดยเรียงศรัทธาความเชื่อปริยะความเพียรสติความมลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นว่าเหมือนกบับบรของอมรรตแต่ปัญญานั้นจะเหมือนกับราชกุมารตอนนี้อยู่ในหวังทุกคนต้องอยู่ภายใต้การบงการบังคับบัญชาของราชกุมารตอนนี้มองดูถึงการปฏิบัติธรรมะในภาคปฏิบัติ เห็นว่าการใช้ศรัทธาน้อมใจเชื่อเป็นหลักจะต้องผ่านการใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบเสียก่อนเพราะโลกแห่งสัมผัสนั้นเป็นโลกของมารยาเป็นโลกของผลประโยชน์เป็นโลกของความร้อนรวงเป็นโลกของความเกลียดแค้นจริงชังเบียดเบียนประทุสษร้ายกันโรกเกิดอยู่ท่ามกลางอารมณ์หลอนนั้น ไปเจออารมณ์ที่กระตุ้นเร่งร้าวให้เกิดความกับหนักไปเจออารมณ์ที่ยัอยุให้เกิดความขัดเคืองไปเจออารมณ์ที่ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็ให้เกิดการรุ่งหล ง, งบมง่มเหมาไปเจออารมณ์ที่ก็ให้เกิดความประมาทซึ่งทหารเราเชื่อไปเรื่อย มันก็มีปัญหาในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อปัญญาก็เข้าไปกากับตรวจสอบดูว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อควรเชื่ อ, อมากน้อยแค่ไหนเพียงไรและในขณะที่น้อมใจเชื่ออยู่นั้นปัญญาก็ต้องประคับประคองศรัทธาไว้ไม่เกิดสับสนไขว้ไขวทีนี้สมมติว่าถึงบ้านบุตรอมตคนที่สองคือความเพียร ตัวความเพียรเองนั้นทําหน้าที่กระจัดความเกียรตคร้านซึ่งมีลักษณะสนุนนอตัวเองห่วงใยตัวเองกลัวตัวเองนเนจะเน็ดจะเนือยจะลําบากกลัวจะเกิดภัยอันตรายกลัวจะเกิดไปจนอุปสรรคต่างๆกลัวเกิดความอ่อนแอและกล่าวอ้างในลักษณะต่างๆซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นการถนอมตัวเองเป็นเรื่องของความเกียรคร้านบางครั้งต้งใช้คำ ว, ว่ามหมาโกศะคือความเกียรคร้านอย่างหนัก เขาอาจจะอ้างเล่ย์อย่างใดอย่างหนึ่งในสุดเขาก็ไม่ทำงานเราจะใช้คำว่าเรื่องนี้ผมอธิบายได้ทำไมจึงไม่ทำงานเปนปัญญาจะต้องตรวจสอบลักษณะาบางอย่างดูแล้วคล้ายๆเขาเพี้ยนไปกันแต่ความเพียนนั้นมันมีสมาวายามะคือเพียนชอบมิจฉาวายามะคือเพียนผิด ถ้าปัญญาไม่เกิดแยก แ, กแกห้ชัดเจนการเพียรพยายามเหล่านั้นอาจจะเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความรุนแรงขึ้นมาต่างๆคราวนี้เป็นสังเกตุที่พระเจ้าทร ง, สงแสดงอบายมุกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเกี่ยวข้องซ่องเสพไม่ควรจะนําตัวเองก็ไปปลูกพันธุกับสิ่งเตรงนั้นพระาะแม้แต่พอเริ่มเข้าไปปริมาณของกิเลสก็เพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมต่างๆที่สถานที่เหล่านั้นสร้างสารรค์ขึ้นเป็นลักษณะคล้ายๆกระต่ า, ายไขต้องการจะจับสัตว์ทุกตัวที่เข้าไปอยู่ในที่นั้นและจับได้แล้วมันก็เป็นประโยชน์ของคนในสถานที่นั้นแต่แรงก็กลายเป็นเครื่องมือแต่นั่นเองเพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องการใช้ความเพียรพยายามโดยมีปัญญาสดสองตรวสอบ ถึงสิ่งที่เราจะเพียนพยายามวิธีการในการใช้ความเปลี่ยนพยายามและผลที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนพยายามว่ามีการลดละให้กิเลสเจ้จางบาบางลงไปได้หรือไม่มีผลในการควบคุมตัวเองสูงขึ้นหรือไม่และความเปลี่ยนบางอย่างถ้าหนักไปกายก็กระสรับกระส่ายใจก็สงบไม่ได้ ความเพียนในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นแม้แต่คนที่มีวาสนาบา ร, รมีสามารถบรรลุผลเป็นประธานได้เจ่นโสรนาโกลิวิสาใช้ความเพียรเดินจงกรมเร่งรัดไม่ยอมพักผ่อนไม่ยอมหลับนอนเดินจงกรมเดินไปรุดมาจุดเท้าแตกเลือดโชกท่านก็ยังเดินผู้เจ้าก็ต้องเสด็จไปสอนให้คิด ว่าความเพียรในลักษณะ น, นี้ไม่ได้ลดกิเลสแต่การเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความเบื่อหน่ายความท้อถอยความชิงชังความระอาความอึดอัดจนถึงก็อยากจะทิ้งไปไม่อยากทําตนเองไม่เคยจะปวดมารุนแรงขนาดนั้นถ้าเกิดมาเจ็บปวดเพราะทำความดีอย่างนี้ในสุก็อาจจะท้อถอยได้พระเจ้าก็ทรงสอนให้คิด บิตีคิดก็คิดง่ายๆคิดเส่นเดียวกับที่พระองค์คิดตอนบำเพ็ญเพียรตุ ก, กรกกริยาซึ่งก็มีลักษณะเส้นเดียวกับที่พระโสณะกรวิสาท่านบำเพ็ญเพียรทรงยกอาการเอาสายพินสามประเภทมาเทียบเคียงเพาถ้าย้อนเกินไปก็เหมือนกับความเพี่ยนที่ย่อนเกินไปก็สู้กิเลสไม่ได้ ในนักตระหล่านี้ท่านผ่านครองในวัดประบอกมาสามาสังเกตได้ทุกวันสอบวันอาิตยิแม่แต่วันตื่นก็จะเห็นว่าบางครั้งน้ําค่อนข้างใสบางครั้งน้ําขุ่นมากแล้วก็มีมีกลิ่นกลิ่นสกรปกรกกลิ่นเหม็นบ้างกลิ่นพวกมันต่างๆบ้างดั ง, งนั้นก็เราเห็นได้ เห็นได้ชัดว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างน้ำใสด้วยการเพิ่มออกซิเจนขึ้นกับการเททิ้งสิ่งสกปรกลงไปภายในบัดถึงสิ่งสกรปรกตั้งหลายนั่นก็ออกมาจากกุฏิทุกกุฏิในภาษาน้ำจะขุ่นกว่าปกติหน้าภาษาน้ำจะใสเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า ปริมาณการเทของสปกปรกลงไปนั้นแตกต่างกันแต่ว่าการทําหน้าที่เพิ่มออกซิเจนเครื่องบางตัวก็เสียใช้งานได้พร้อมๆกันก็แสดงว่ามันก็เพิ่มได้มากขึ้นเพราะลักษณะเหล่า น, นี้ที่จริงก็เหมือนกับความเพียรที่หย่อนที่ตึงคือถ้าความเพียรแก่กล้า ด, ด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันก็สู้กัน แล้ความเพียรขวายได้ขวายหนึ่งมากกว่าควายหนึ่งก็ลดความรุนแรงลงไปควายหนึ่งก็สามารถเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรสายใดปัญญาก็จะต้องมาตรวจสอบดูผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามดูการจางไปคลายไปบรรเทาไปของ ก, กิเลสได้เห็นเพราะความเพียรที่เป็นสมาวิยญาณนั้นจะต้องมีการป้องกันบ่าปักุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพยายามขจัด สิ่งที่เป็นบาปเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วโดยการเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาส่วนดีงามเหล่านั้นเอาไว้มันก็ต้องอยู่ในกรอบนี้มาตลอดแต่บางครั้งความเพียนพยายามในการคล้ายๆกับการเทของสกปรกลงไปนั้นเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่ยังที่สกปรกซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดเพิ่มขึ้น เรากลายเป็นรวมกับสิ่งสกปรกที่มีอยู่แล้วปริมาณเขาก็มากก็ทาให้ใความสะอาดที่มีอยู่นั้นหมดอิทธิพลหมดกำลังลงหรืออ่อนกำลังลงและในสุดอาการที่ปรากฏมัน ก, ก็กลายเป็นสิ่งที่สปกปรกแสดงว่าความเพียรณ์ณขนาด น, นี้เป็นความเพียรในทางที่ผิดแล้วต้อเพิ่มขึ้นบ่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้ ในคลองน้ำมันจะกลายเป็นคลองน้ําที่สกปรกจนขนาดกลิ่นก็ต้องออกมาแม้จะเดินผ่านก็ไม่ไหวไม่ต้องพูดว่าสัตว์น้ําจะอยู่ได้หรือไม่และก็เป็นสิ่งที่สามารถจะดูได้ว่าการต่อสู้กันภายในใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องเข้าไปตรวจสอบปีนิพจารณาดูจิตตัวเองเสมอไปต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่กุศลเพิ่มขึ้นนะกุศลลดลงไป ถึงความเพียรในลักษณะ น, นี้ตรวจสอบในลักษณะ น, นี้เราก็ทำอยู่ในเรื่องเรื่องทั้งหลายเห็นบางเรื่องก็มีการชิมบางเรื่องก็มีการดมบางเรื่องก็มีการดูบางเรื่องก็มีการจับต้องดูรูปครามดูเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ถือใช่ไหแต่ก็ต้องพยายามต่อไปจนกว่าจะสาเร็จประโยชน์เพราะงั้นพระเจ้าจึงทรงใช้ความเพียรที่ว่าบุคคลร่วงทุกได้เพราะความเพียร ซึ่งก็หมายความว่าแม้ความทุกข์ในสังสารวัฏบุคคลก็จะผ่านพ้นได้ด้วยความเปลี่ยนการรักษาในแนวนี้ก็หมายความว่าเอาวิริยินทรียคืออินทรียคือวิริยะเป็นตัวนําแต่ไม่ได้ความหมายความว่าเกิดขึ้นโดยลําพังธ์ธรรมะก็อื่นก็เข้าสนับสนุนประกอบประคองแต่ตอนนี้อินทรีย์เป็นวิริยะคือความเปลี่ยนเป็นตัวนําแต่นั้นเอง ทำนองเดียวกับเรื่องอื่นเช่นเรื่องของศีลที่ได้สมาทานศีลไปแล้วจะเห็นว่าทั้งแสดงว่าบุคคลจะบรรเกิดในสุคติได้ก็เพราะศีลสมบูรณ์ด้วยภคสมบัติประอศีลบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ก็เพราะศีลแต่ไม่ได้หมายความว่าศีลเพียงอย่างเดียวศีลเพียงอย่างเดียวก็ไปไม่ถึงสิ่งอื่นก็จะเกิดขึ้นสนับสนุนทำนองเดียวกับตรดไม้ที่จะอ แผ่กิ่งกา้านสาขาออกรอกออกผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับบุคคลอื่นได้นั้นมันก็ต้องมีกิ่งขึ้นมาช่วยมีลําต้นที่เพิ่มขึ้นมีรากที่อย่างลึกมากกิ่งขึ้นมีใบที่เข้ามาสนับสนุนมีดอกมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นซึ่งว่าที่จริงก็สืบเนื่องมาจากต้นไม้ต้นนั้นไม่ได้ดอกใบผลมาจากที่อื่นแต่เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นนั้นเอง คุณธรรมภายในจิตเราก็มีลักษณะเช่นนั้นคือให้เริญเติบโตขึ้นภายในจิตจ ร, จริงจิตเก็บเชื้อเหล่านี้ไว้แล้วรอการเสริมสร้างรอการพัฒนาให้ปากิ่งขึ้นเท่านั้นแต่บทใช้สติเราจะเห็นว่าสติกับปัญญานั้นจะต้องสนับสนุนกันบางครั้งใช้ปัญญาเป็นผู้นำแสดงว่าเข้าไปในวังแล้ว บางครั้งก็ใช้สตินำํำแสดงว่าเข้าไปบ้านบุตรของอัมมาศแต่ว่าทั้งสองข่ายนั้นจะต้องสนับสนุนกันและแม้ในช่วงของการใช้สติมันก็ต้องมีศรัทธามีความเพียรเข้าสนับสนุนาหากว่าขาดการสนับสนุนช่วยเหลือสติอาจจะวิปลาสไปก็ได้ กรนีจะข่าวคราวต่างๆที่พูดถึงคนเจริญกรรมฐานแล้วก็วิปริตไปจนถึงฆ่าตัวเองเข้าใจว่าร่างกายของตนเองจะโตขึ้นเป็นภูเขาและจะทำลายโลกทีนเราจะเห็นว่าสติมันกมลังอ่อนปัญญาเองก็ไม่มีกมาลังมากพอรอการเจริญกรรมฐานแล้วนิมิตเกิดขึ้นในลักษณะนั้นและเกิดขึ้นในลักษณะื่น แม้การจเจรนาปานติเองบางครั้งเราจะเจอตัวเราใหญ่มหาศาลใหญ่จนไม่รู้ก้มือเท้ามาอยู่ตรงไหนใหญ่มากมายได้เกิดแต่จริงนั้นก็คือเพียงนิมิตเท่านั้นเองเป็นภาพลวงเป็นภาพหลอกเป็นอาการปรากฏสําหรับผู้เจริญกรรมฐานด้านนั้นแต่บางอย่างที่ร้ายขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอาศัยการเล่าเรียนการสดับต่อฟังแล้วมาปรุง ปรุงคิดคิดปรุงแล้วเอาตัวเองเข้าไปปลุกพันกับสิ่งที่ตนปรุงขึ้นมาเราทำนองคล้ายๆกับมีการพูดเรื่องผีไม่น่ากพระโคหนุซึ่งเป็นเหตุการณ์เป็นร้อยปีมาแล้วมันเป็นเรื่องอดีตที่ไกลแต่ปรุงไปปรุงมาปรากฏว่าเราเอาเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกผีไม่น่ากลอกด้วย แล้วก็ตกใจด้วยแล้วก็กลัวด้วยแล้วก็จับค่ายด้วยแล้วก็ผมร่วมด้วยคือเป็นเรื่องที่ปรุงกึ้นเองทั้งหมดเราคนยุก่ยคนสมัยกันแต่เหตุการณ์เหล่านี้มันก็เกิดสมดมติบางเกิดเมื่อ เ, เกิดในยุคอดีตไม่ใช่เกิดในขณะนี้นั้นแสดงว่าจิตไปเกิดปรุงขึ้นปัญญาไม่มากพอที่จะตัดสินต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบ ต, ต่อไป